พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าใช้สติปัญญาเพื่อหาเหตุผลวันพระ เมื่อวานเะน่ยไม่เห็นแม่ถมมาวัดมะไปไหนวะา <laughs> ถ้าเผื่อเยเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ช่วยเหลือกันได้ก็ต้องถามข่าวข่าวหากันนะถ้าไม่เห็นกันก็ต้องถามหาพอที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไม่ใช่ว่าหายหายมิดไปเลยไม่ได้ต้องถามหากันสบายดีอยู่ มีธุรกิจภารกิจก็ไม่ว่ากันเพราะมันติดภาระคนเรามต้องมีภาระธุระส่วนตัวที่มันหนีไม่ออกหนีไม่ได้ไปไม่ได้อย่างเมื่อวานนัเหมือนกันตามไม่จริงหลวงพ่อจะเดินทางนะวันนี้เดินทางไปนู่นไปจันทบุรีนะวัดของ หลวงพ่อสนิทท่านนิมนต์มานานหลวงพ่อที่แรกกับไม้มั่นปั้นมือเหมือนกันว่าจะไปพอมาดูภาระทุระรอบด้านแล้วก็โอ้ไม่รู้อะไรตอบไม่อะไรแล้วก็ปีนี้วันที่สิบเดือนนี่แหละวัดเขาสุกิมหลวงปู่สมชายก็นิมนต์ไปแสดงธรรมไปเทศ แต่หลวงพ่อจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะอายุขนาดนี้เดีวไปที่ไหนต้องดูซะก่อนถ้าไปถึงแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยในงานของท่านก็คงไม่ดีเพราะนั้นหลวงพ่อต้องดูดูสุขภาพด้วยไปที่ไหนเมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปงานครอบรอบ หลวงปู่เหลียนนะหลวงปู่เหลียนวรราโภวัดอรัญญาบันพศอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายห่างจากวัดเราไปประมาณสักห0สิบกิโลมั้งจากนี้ไปก็ทางก็สบายไปทางสังคมก็ออกไปนะไม่ไกลจากนี้ไปติดฝั่งโขง จากวัดของเราไปถึงสังคมใน29กิโลนะถ้าวัดวัดตามเข็มไม้ของรถนะจากนั้นไปอีกก็ประมาณ 50-60 จากวัดของเราไปประมาณ60จากสีเชียงใหม่ไปประมาณสัก30กวัดหลวงปู่เหลียนก็ยังไม่ถึงสีเชียงใหม่ดีไปถึงวัดหลวงปู่ก่อนในลำเคยนี้ก็หลวงพ่อเขาไป เจริญพระพุทธมนตรหลวงปู่ท่อนเป็นประธานสงฆ์เมื่อคืนเนี่ยก็มีพระสงฆ์เกือบ200รูปมั้งแต่ก่อนในหลวงพ่อไปนั่งในกลางสงฆนะ์อยู่ในองค์ห้าหสนะห้าหรูปนั่งองค์ที่ห้าหสแต่เมื่อคืนเนี่ยนั่งองค์ที่อะไรองค์ที่8มั้ง ดูดูแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระเนะี่ยร่องรยหล่นลงไปเรื่อยๆย่นมาในเรื่อยหลวงพ่อเนะี่ยโผล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่านั้โผล่ขึ้นไปไม่ใช่ผลดีนะลูกหลานนะโผล่ขึ้นไปหาหลักประหารโผล่ขึ้นไปหาหลักประหารครูบาอาจารย์ดูดนะูเลหมดสภาพไปทั้งหมด แต่งแต่หลวงปู่ต้นหลวงปู่เพียนหลวงปู่ต่างๆตัางฝ่ายปกครองก็เยอะสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้หมดล่นลงมาเรื่อยๆมามาไม่ได้อย่างหลวงปู่วัดโพที่สมพรร้3ยสามสปีจะมาได้ยังไงแต่ก่อนท่านมาทุกปีแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกันท่านก็มาเจ้าอาวาสวัดจีทีหลวง ที่หลวงพ่อไปแสดงธรรมท่านก็มาแต่เมื่อคืนในหลวงปู่ท่อนเป็นประธานหลวงพ่อก็ไปกราบท่านท่านก็ถามก่อนว่าทลายอายุปีนี่เจ็ดสิบครับปู่โอ้ปู่แล้วเท่าไยปู่ปีนี่แปดสิบเจ็ดผลว่าห <laughs> ลวงปู่ท่อนแปดสิบเจ็ดในปีนี่จากนั้นเขาก็นิมนต์ท่านเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อคืนนี่ ท่านก็เทศเกี่ยวกคนนี้แหละว่าท่านเทศท่า น, านสมัยอยู่นะท่านบอกว่าการเป็นผู้ใหญ่ต้องดูประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปโกงอย่าไปกินอย่าไปอะไรถ้าทำไปแล้วนะตามสนองถ้าทำกรรมไม่ดีไว้กรรมจะตามสนองแต่ไม่อยากจะพูดมากหรอกแต่ให้พวกเราท่านหลายใช้สติใช้ปัญญาอัญชันฉลาดของพวกเรานะั่นะนะให้ควรทบทวนดู อันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะพวกเราใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วหลวงปู่ท่านพูดเมื่อคือนนี่นะฟังๆดูท่านก็พูดทันสมัยดีนะแต่ท่านก็มไม่ได้พูดอะไรมีตบเรื่องกรรมคือการกระทำนะํำเสร็จแล้วท่านก็นเทศประมาณสักยี่สนาทีมั้งท่ก็ลงพอทันเทศก่อนจเจริญพระพุทธมนต์นี่แหละจากนั้นพระสงฆ์กจเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมหลวงพ่อก็กลับมาเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะไปอีกไหมจะไปฉันบินทบาทไหมวันพุ่งนี้หลวงพอ่อบอกโองค์คงมาไม่ได้นะลูกหลานนะผมคงมาไม่ได้นิมนฉันตามสบายเนอะผมมาไม่ได้ผมมาสวดมนต์ลวกัวันพุ่งนี้ไม่ได้มาเนีย่ยนะเมื่อคืนนหะลวงพ่อก็มาแต่ฝนตกนะลูกหละนะน า, า, ญญานนะคณะทาญาิโยมนะโพเลย หินหมักเป้งมาพอจะเข้าเขตสังคมแ่นะโอ้ฝนตกนะเนเลยน้ำตกทานทองมาเนะ่เข้าสังคมฝนตกแรงพอมาถึงสังคมฝนก็ตกแรงฝนยังตกนั่งรถมามาถึงเลยบ้านสังกะลีนาขามมาถึงโศก้าเนยะฝนหยุดไม่มีฝนทีแรกหลวงพ่อกับพี่ตกกังวลเหมือนกันโอ้ตาย ทหารกำลังจะทำงานคุดลอกสะของหลวงตาเราฝนเทลงมาเนี่ยตายล้วะเนี้ยงานหยุดแล้วไปไม่ได้แล้วไแต่พอมาถึงที่นี่ฝนไม่ตกอือก็ดีไปแต่ก็ยังจะให้มันตกอยู่หรอกแต่จะจะให้สะของหลวงพ่อเสร็จก่อนฮะถ้าหลวงพ่อสะหลวงพ่อเสร็จแล้วก็อืมค่อยเทลงมาใส่สะี่เนี่ย <laughs> นี่แหละ นานาจิตตานานาทัศนะลูกหลานเลยนานาความคิดเห็นเป็นอย่างนี้แหละวันนี้เป็นวันที่หกมิถุนายนพุทธศักราชสองพหห้าเจเมื่อวานเป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้ร่วมไหวพระสวดมนต์ด้วยเมื่อคืนเนี่ยแต่หลวงพ่อก็เอาก็บอกให้พระ เอา m อ3ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศทิพอัดใส่ MP3 มาเปิดให้คณะัทธาญาติโยมฟังเนอากันนี้เนะสรจหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เขามาใหม่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระใหม่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะลูกหลานเหล่านี้ก็เป็นพระ เขามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของหลวงพ่อต่อไปหลวงพ่อกันเนี่ยนะทางว่าผู้อยู่ได้ตลอดไปก็เป็นทายาทเป็นผู้ดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาถาว่าศึกออกไปเป็นฆรวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรม จ, ร, ร, ร, มจ ร, ริยธรรมเพราะนั้นจึงปลูกฝังอุปนิสัยศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจเอาไว้ในเมื่อพวก ลูกหลานเหล่านี้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ใหญ่อันไหนผิดอันไหนควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีลูกหลานเหล่านี้ก็จะได้แยกแยะนำไปประพฤติธปฏิบัติเมื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเป็นพระก็เป็นพระที่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่โลภโหโมกนะอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นหลักพระธรรมวินยัยลูกหลานก็จะได้แยกแยะให้ออกนี่แหละการที่พูดให้พวกเราฟังทุกวี่ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อว่าหลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับลูกสําหรับหลานสําหรับพระเนนสําหรับฆราวาสญาติโยมเมื่อต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้นําไป นแนวความคิดถ่าว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อไ ด, ได้รับการอบรมได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็ไม่ถ่ายทอดแล้วก็มาที่แรกกันเนี่ยมาอยู่กับพระพุทธโลกท่านก็นั่งขัดสมาธิเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นท่านก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตรัสอะไรก็ปรเป็นพระพุทธโลกพวกเราจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ มีความคิดไม่ได้ใช้จติใช้ปัญญาแต่หลวงพ่อได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ได้ฟังได้ศึกษามาเกรดเล็กเกรดน้อยความรู้มีประสบปรการที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาหลวงพ่อก็มาแฉมาแสดงมาแนะนำให้พระลูกพระหลานได้ฟังศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควร หลวงพ่อพูดออกไปหลวงพ่อก็บอกไม่รู้กี่ครั้งถูกกี่หนเหมือนกันอย่าพึ่งเชื่อนะที่หลวงพ่อพูดออกไปเนี่ยแต่ให้นําไปคิดไปการกลองไตรตรองด้วยปัญญาของตนอย่างที่หลวงปู่ท่อนได้พูดเมื่อคืนนี่ยนะให้พวกท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาอัญชันฉลาดของพวกท่านการกลองไตรตรองเหตุและผลเสียก่อนแล้วจึงทําแล้วจึงพูด เรื่องนั้นๆจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเพราะพวกเราได้พิจารณาการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลด้วยหลักธรรมคาสอนอกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องแล้วจึงทานี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อมีชี้ให้ฟังอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับชี้ให้เข้าไปในห้างสปปรรพสินค้านะห้างสปปรรพสินค้า เต็มไปหมดเราต้องการเพชรนินจินดาราคาขนาดไหนขนาดไหนฮะเสื้อผ้าขนาดไหนอะไรขนาดไหนราคาแพงถูกขนาดไหนกําลังของพวกท่านทั้งหลายจะรับได้หลวงพ่อมีตัวบัญชีให้ดูอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอย่างนั้นนะคุณค่ามันเป็นอย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายก็เดินตามคิดตามที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง จากนั้นพวกเราก็เป็นผู้ตัดสินใจเองทนี้ว่าจะเอาอันไหนที่จะเหมาะสมแต่ลุงพ่อก็เน้นหนักว่าถึงจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องมีสัจจะนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเอาให้แน่วแน่ในเรื่องนั้นๆอย่าไปเลาะแรเลาะแ ล, ะ ล, ะและโลกเล็กโลเลเป็นไม้ปากขี้เลนอันนั้นไม่ดีถึงจะเดินเข้าไปแล้วก็นั้นหาที่เอาไม่ได้ห้างเข้าไปห้างสรรพสินค้าที่มีคุณค่า ทั้งที่ตัวเองก็พร้อมกายวาจาใจของเราพร้อมแต่ว่าไปเห็นแล้วใจของเราหกเล็กรูเล่นู่นจวนจะหมดจวนจะชิ่นชีพชิ่นชีวิตวันมรณะมาถึงย่งคิดเสียใจบกเวกป่วยวายโอ้ตายข้าไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยทั้งที่ข้าก็รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าข้าพรเจ้าเนี่ย ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาที่มีอยู่มีแต่กิเลสโลภโกรธหลงในใจของข้าพเจ้าพาเป็นไปข้าพเจ้าจึงเป็นลักษณะอย่างนี้พวกเราจะเสียใจจะเสียใจเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลาย แต่ใช้จติตใช้ปัญญาอย่างหลวงพ่อได้กล่าวติ่เอ็สก็ดีพูดประจำวันให้พวกเราได้ฟังอย่างนี้ก็ดีล้วนแล้วแต่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดแต่บางคีพวกท่านทั้งหลายก่อนนอนใจช่าใจนอนหลับแต่หลวงพ่อก็ไปเขยา่าปุกให้ตื่นหรือบางครั้ง เ, เหมือนกับหมาตัวเล็กๆ เราก็ต้องพยายามเอาเนิ้วมือหรือเอาอะไรแยงเข้าไปให้มันโมโหให้มันกัดให้มันสู้นะวิธีกัดวิธีสู้ทํำยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันลูกสิ์ลูกหาหลวงพ่อถ้าชราใจนอนใจเกินไปหลวงพ่อก็ต้องปลุกให้ตื่นให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในเรื่องนั้นรับผิดชอบในหลักพระธรรมวินยัยรับผิดชอบ ในคำพูดเรื่องที่มันได้ยินได้ฟังมาเรื่องเขามาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงเป็นยังไงในเรื่อง น, นี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อมีแต่บอก ก, อกล่าวบอกกล่าวให้พระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้ตื่นตัวจิตปัญญาของเราให้พร้อมในแนวความคิดนั้น นี่แอันนี้ก็คือเรื่องที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ที่ไปงานหลวงปู่เลียดเนี่ยนะไปงานหลวงปู่เลียนวราลาโภเนี่ยเมื่อสิบปีให้หลังมาแล้วนะเจ้าคุณพุทธพ์ธเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะท่านเป็นนักเทศมา ก, ก่อนใครใครก็รู้แต่ท่านก็มาในงานของหลวงปู่เลียนเนี่ย พระราโภเนี่ยนะพอมาถึงสวดมนต์เสร็จแล้วก่อนที่มนต์ท่านพระเดชพระคุณเป็นองค์แสดงธรรมแต่ครั้งสุดท้ายนะ่ะท่านมาท่านมาแสดงธรรมแล้กันไม่ได้มาอีกเลยเพราะวาอายุมากแล้วหลวงพ่อยังจําไม่ลืมท่านพูดเรื่องนิทานนิทานปัจจุบันไม่ใช่นิทานชาดกน ะ, ะนี่นิทานปัจจุบันท่านบอกว่านี่นะพวกเราท่านทั้งหลาย การอยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาต้องมีน้ำใจต้องรักเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันในสามีภรรยาถ้าหากว่าสามีภรรยาคู่ใดไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วปัญหาเกิดขึ้นครอบครัวนั้นจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ท่านก็ยกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยว อ, อ, อาตมาจะยก เป็นตัวอย่างให้ดูให้ฟังปีครอบครัวครอบครัวหนึ่งสมัยเป็นหนุ่มสาวก็นี่แหละตามประเพณีไปคุยรักชอบกันกแต่งงานกันขอแต่งงานกันเขาผู้ใหญ่ก็แต่งงานให้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขรักกันเมตตากันเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ด้วยกันสามีภรรยา รักกันต่อมาก็ทํามาค้าขายพอแต่งงานเขาทามาค้าขายใหกิจการก็ก้าวหน้าไปได้ดีนะทั้งแม่บ้านกันนี่ยนะมีลูกมีอะไรขึ้นมาเนะี่ยทั้งพ่อบ้านก็ออกไปทําการงานภายนอกพอไปทํางานภายนอกเนะี่ยกิจการก็ดีพอสมควรจนเขาเรียกอาเซียนะพอต่อมาก็เขาเรียกอเซียอาเซียนี่ก็ ไปที่ไหนเขาก็เรียกเชิญเป็นประธานงานมงคลแต่งงานอะไรเขาก็ว่ากันไปตัวนี้ก็ลืมตัวพอใ น, นสู่ก็เนี่ยกินเหล้าเมายาเขาก็หาผู้หญิงพวกกิกพกกอะไรมาให้ทนเนียแต่เสียนึยกลืม เ, ย ล, เลยถลาหละทานนียพอมันไปทางนั้นมันไปง่ายนะทันว่ากิเลสกิเลสราคาโทสะโมหกิเลสราค้าเนี่ย รักโลภโกรธหลงนะมันไปได้ง่ายมันไหลลงทางต่ําไปได้เร็วนะแต่นี้ก็พอถล่มไปทางนั้นก็ห่างเหินทางครอบครัวเลยแต่นี้พอห่างเหินทางครอบครัวครอบครัวเนี่ยก็รัดสัมรัสายเลยแต่นะี้ทั้งแม่บ้านไม่แต่ดูกิจการด้วยดูลูกด้วยดูลูกเรียนหนังสือด้วยทั้งผู้พัวเดี๋ยมาบ้างไปมาบ้างถล่มทะเลถลายไปเรื่อยเพราะในสุดครอบครัวเนะี่ยก็เลยหาฝั่งฝายากเลยแนตะ่นี้ โผลในสุ่ก็เลยจะล้มละลายเอาทถเนะี่ยผลในสูกเอาย้ายย้ายบ้านไปหากิจการอื่นคือเมียนะี่ยอยากจะให้ย้ายจากถิ่นนั้นถิ่นนั้นมันเป็นถิ่นที่เก๊กของผัวเยอะให้ห่างนี่ออกไกลๆไปไง่ายเพราะสมัยก่อนมันรถลามันก็ไม่มีนะโทรศัพท์ก็ไม่มีห่างไกลมันก็คงจะห่างไปเลยแต่ว่าถึงจะห่างไปที่ไหนไอ้ตัวนี้มันเคยอยู่แล้วเถอนะี้ ตัวสามีเนะี่ยมันก็ออกไปลวกนอกหลูน่ลนอกทางไปที่ไหนมันก็ไปที่เก่าจนเบื่อหน่ายใ่ไผู้เมียนั่นเบื่อหน่ายโอ้ถ้าปีานี้ตายดีกว่านะตายดีกว่าข้าจะตายยังไงน ะ, ะคิดแล้วคิดอีกวันน ะ, ะแต่วันหนึ่งก็เลยมาพูดเอาอย่างจริงจังแต่ก่อนก็ทะเลาะกันจนพอแรงนะว่างั้นเลทันวานะเจ้าุณทันว่านทะเลาะกันจนพอแรงวนะ่างั้น แต่ไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนแต่ครั้งนี้แปลว่าตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเพราะงั้นเดะตายกันดีกว่าหนละังจากนั้นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแต่นล้วก็ผู้เมียวางแผนเนอะนะอวางแผนนะตายแล้วก็ยอมตายเลยตายแน่ๆแล้วงั้นเดะไม่เอาละพอทะเลาะกันเสร็จแล้วอ็ทางผู้ผัวทะเลาะกับเมียเมียทะเลาะกับผัวผลที่สุดผู้เมียมันอยู่ใกล้คลองใช่ไหม อย่างแม่น้ำเจ้าปยาหรือแม่น้ำโของอย่านี้นบ้านมันอยู่ติดฝั่งน้ำใช่ไหมพอทะเลาะเสร็จแล้วกับภูเมียเนี่ยก็โดดตามลงไปในน้ำนาะฆ่าตัวตายอย่างนั้นฆน่าไม่เอาอะไรแล้วพอตามลงไปในน้ำถึงเนี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาบางครั้งเมียก็เลยยกสองนิ้วแบบริโพวิตันอย่างนั้น น, นิ้วสองนิ้วโผล่ขึ้นมาจากน้ำอเ อ, อเห็นแต่สองนิ้วโผล่ขึ้นมา จุบหมุนลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาสองนิ้วเลือกลงไปเลยทั้งแม่บ้านเขาไม่เก่งทางน้นําเลยแต่ทั้งพ่อบ้านเนี่ยเก่งทางน้ำเลยโอ้ไม่ได้เลยเ อ, อเขาคงจะกระโดดลงน้ําใกล้จะตายเขาคงจะคิดถึงลูกถึงผัวมั่งเลยเขายกสองนิ้วขึ้นมาเนี่ยเหมือนน่ะเอเขายกสองนิ้วขึ้นมาคงจะคิดถึงโอ้ลูกผัวเนาะของข้าเนาะคงจะเป็นลักษณะอย่างผู้ผัวคิดได้นก็โดดตามลงไปอีกเหมือนน่ะไปก็เป็นลาก เอาแขนเมียขึ้น ม, า ข, นม า, นะาขึ้นมาฝังนะเออขึ้นมาบอกว่าทําไมทําไมเขาฆ่าเปื่อชีวิตเหลือเกินวะฆ่าจะตายแล้วเอาฆ่าขึ้นมาทําไมนะทั้งผู้ผัวก็เลยบอกว่าออืมเมื่อเธอกระโดดตามลงไปในน้นะําน่ะโผล่ขึ้นมาทีไรก็เห็นแต่ยกแต่อสองนิ้วขึ้นมายกสองนิ้วโผล่ขึ้นมาทุกครั้งข่าก็คิดว่าเธอเนะี่ยคงจะคิดถึงลูกถึงผัวมั้ง จึงยกสองนิ้วขึ้นมาเนะี่ยทั้งภูเมียนะี่ก็บอกว่าไม่หรอกคาดด่าแกอีกต่างหากโคดพ่อก็โคดแม่มันทำไมเพิ่งสอนลูกอย่างนี้ยกสองนิ้วก็โคดพ่อก็โคดแม่มีเมียด่าผัวเหมือนนเะลด่าโคดเลยเหมือนกันเลยโคดพ่อก็โคดแม่มันทําไมสอนลูกเลวถึงขนาดนี้ไม่รู้จักรับผิดชอบในครอบครัวนะ ทำไมเลวถึงขนาดนี้นะเนี่ยข่าไม่ได้คิดถึงลูกถึงผัวเนะี่ยข้าดา่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่แก่ต่างหากถ้าจะอยู่ด้วยกันะเธอต้องเป็นคนดีนะถ้าถ้าเธอไม่เป็นคนดีข่าคงคงจะตายเลยแนละ้วขาวนี้เหมือนกันอย่าไปเอาข่าขึ้นมาอีกนะผู้เมีย ว, ว่านะเออจากนั้นกัท่านก็ไม่ได้พูดต่ออีกนะท่านเจ้าขุนก็ไม่ได้พูดต่ออีกคงจะเห็นฤทธิเห็นเดชแล้วมั้งคงจะเป็นคนดีแล้วมั้งต่อไปกัน สามีก็คงจะเป็นคนดีเพราะภรรยาสอนอย่างสุดๆให้ฟังแล้วนะนี่แหละเจ้าคุณพุทธพศหลวงปู่พุทธพทจศเจ้าอาวาดวัดเจดียด์หลวงตีเดือนนี้ท่านก็มาณะนาพไปแล้วเมื่อสองสามปีให้หลังที่หลวงพ่อไปเทศแสดงธรรมที่วัดเจดียด์หลวงกลาวนั้นนี่แหละหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อยังจําไม่ลืมยังเอาพูดให้พระลูกพระหลานได้ฟัง แต่หลวงพ่อเคยพูดระดับการหนึ่งระดับเทศได้อ่านไว้อยู่แต่หลวงพ่อไปงานหลวงปู่เหลียนเมื่อคืนนี่หลวงพ่อก็เลยลำลึกถึงท่านหลวงปู่อีกอจึงมาพูดมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นี่แหละชีวิตครอบครัวถ้าทําไม่ถูกไม่ต้องแล้วมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าครอบครัวใดก็ตามรักเคารพเมตตากันครอบครัวนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับครอบครัวมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้าครอบครัวแตกแยกสามัคคีกันแล้วไม่มีอะไรที่จะทุกข์กว่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวและอยู่ในชุมชนใดก็ตามอย่างอยู่ในวัดของเราเนี่ก็เถอะนะถ้าว่ามีความแตกแยกสามัคคีกัน มีความไม่พร้อมเพียงกันเห็นกันตาเขียวใสกันเห็นกันอิจฉากันเห็นกันพูดแกละแกล้กันมันจะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าเห็นกันเรื่องของใครของเรารรมดาโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้จะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราคิดอย่างนั้นถ้าเห็นหมาเห็นลิงเห็นไส้เดือนเห็นมดเห็นตัวบุงเห็นทุกแก น่าจะทํำยังไงมันก็เป็นทุกเรื่องของแต่ละคนแต่ละสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ที่ยังไงก็พยายามพูดกล่าวแนะนําให้เข้าใจกันอย่างลิงอย่างนี้มันมามันจะเก็บสิ่งของเราก็ยกไม้ลุกมือมันดุมันอย่าให้มันมาใกล้มันก็อยู่ตามสภาพของมันให้มึงอยู่ตามสภาพนั้นนะเดี๋ยวกูมีอะไรกูจะเลี้ยงมึง เนื่องจาให้หิตะแเ่ะกินกับเลี้ยงลิงไปแต่ทํายังไงมันอยู่ในโลกอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ด้วยกันให้มีเมตตาต่อกันเหมือนกับนิ้วมือของเราหลวงพ่อเปรียบเทียบนิ้วโปง้งทำไมมันใหญ่ทําไมมันสั้นนิ้วชี้กับนิ้วกลางไหนทำไมมันใกล้ๆกันทําไมไม่ยาวเหมือนกับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยมันเล็กเกินไปตัดเันทิ้งซะมันก็ไม่ครบอีกอย่างเก่า สิ่งเหล่านี้มันต้องครบทีมกันมันจึงอยู่ด้วยกันนะอหมอปี่หมอซอหมอกองหมออะไรต่องมออะไรบัตรฮาตีเข้าไปแล้วมันก็มาลุกมาตุ่มมาตึงว่าตั้งเข้าไปมันก็หน่าฟังเหมือนกัดนะถ้ามันมีแต่อันเดียวไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำใจสรุปแล้วก็คือทำใจเหล่าะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายนะ ต่อนนี้ไปรับพรนะเจนี่นะอนุโมทนาให้พร